ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชนาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคีตาจารย์ชาวศีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพรรณนาความปราชัยของมารถึงเรื่องของนารายณพภะละเป็นกำลังแห่งพระนารายของพระพุทธเจ้า ในคาถานั้นคำว่านารายณพโลทรงพลังนารายณนะความว่ากอพระมหาบุรุษนั้นทรงพลังพระวรกายของพระองค์เท่ากำลังของช้างหนึ่งพันโกรดเชือกทรงสามารถจะข่มมารหลายแสนโกรทรงถึงความสำเร็จในอภิน ญ, ญาพร ะ, สะเสด็จเข้าไปถึงอปราชิตบาลังนาโคนโผพฤึกเพื่อเอาชนะคือ เพื่อถือเอาชัยชนะให้แก่สัตว์โลกแม้ทั้งสิ้นที่ชื่อว่านารายณะพละในกถานั้นคือช้างทั้งสิบตระกูลนี้ได้แก่ช้างการาวกะช้างคังเคยะช้างปันดาระช้างตัมพะช้างปินคละช้างขันทะช้างมังคละช้างเหมะช้างอุโบสถและพยาช้างฉัตรทัน บรรดาช้างทั้งสิบนั้นช้างการาวกะเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับบุรุษปานกลางสิบคนช้างคังเคยะเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างการาวกะสิบเชือกช้างปัณฑระเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างคังเคยะเกตเชือกช้างตัมพระเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างปัณดระสิบเชือกช้างปิ่นคะระเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างตัมพะสิบเชือก ช้างคันทะเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างปินคาละสิบเชือกช้างมังคละเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างคันทะสิบเชือกช้างเหมะเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างมังคละสิบเชือกช้างอุโบสถเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างเหมะสิบเชือกพญาช้างฉัดทันเชือกเดียวทรงกำลังเท่ากับช้างอุโบสถสิบเชือกพระโพธิสัตว์ ผู้ปัจฉิมชาติคือชาติสท้ายทรงกําลังเท่ากับพญาช้างฉัดทันสิบเชือกจึงเป็นผู้ทรงกําลังตามจํานวนช้างตามปกติเท่ากับช้างหนึ่งพันโกดเชือกเป็นผู้ทรงกําลังของบุรุษจํานวนหนึ่งหมื่นโคตคนนี้เป็นกําลังกายของพระโพธิสัทนั้นกําลังกายนี้นั่นแหลชื่อว่านารายณ์พละส่วนกําลังนี้ ว่าฤทธิ์หาอย่างได้แก่อิทธิวิธิคือความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆทิพสะโสดคือยานที่ทำให้มีหูทิพเจโตปริยญาณคือยานที่ให้กําหนดใจผู้อื่นได้ปุเพนิวาสานุสติคือยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ทิพจกักขุคือยานที่ทำให้มีตาทิพชื่อว่าอภิญญาภละ เมื่อพระมหาบุรุษทรงประกอบด้วยกำลังกายและกำลังยานอย่างนี้เสด็จไปประทับนั่งที่โคนโพพฤกเพื่อทำพระสัพพัญยุตยานซึ่งสามารถครอบงำสัตว์โลกทั้งปวงให้เกิดขึ้นเท้าสักเทวราชได้ยืนเป่าสังวิชยุตปัญจสิกขาเทพบุตรได้ยืนบรรเลงพินเพรุวะปันดุสุยามะเทพบุตรได้ยืนถือพัดวารวีชนีสันดุสิตเทพบุตร ได้ยืนถือพัดใบาตาลที่ทำด้วยแก้วมณีเท้าสหัมบ ด, ดีมหาพรหมได้ยืนกั้นสเสวดชัดกว้างสามโย์พญานาคมหาการะมีนาคนักฟ้อนรำแปดหมื่นแวดล้อมได้ยืนประกาศสะดุดีร้อยครั้งนอบน้อมพระมหาสัตว์ราวเทวดาในหมื่นจักรวาลพากันบูชาด้วยพวงดอกไม้มีกลิ่นหอมของหอมทูป และจุนเป็นต้นนานาชนิดได้ยืนประกาศสาธุการถึงพันครั้งครั้งนั้นวสวัตีมานผู้มีอำนาจเหนือสัตว์โลกทั้งสิน้นได้สดะความเป็นใหญ่แห่งเทพของตนเป็นเวลาถึงหกปีใช้จิตคอยกำหนดดูจิตของพระมหาบุรุษก็ไม่ได้เห็นความพลังพลาดอะไรอะไรจึงคิดว่าบัดนี้เจ้าชายสิฏฐะนี้เข้าประทับที่โคนต้นโพ เพื่อจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องการจะล่วงพ้นวิสัยของเราทีนี้เราจะไม่ให้เจ้าชายสิฏธะนั้นล่วงพ้นไปได้จึงไปยังเทวโลกชั้นวัสวัตตีแล้วสั่งประชุมไพรพ ล, าพลมารของตนแล้วสั่งบังคับว่าพวกท่านจงรีบเนรมิตรเพศที่มีรูปร่างแปลกประรหลาดน่ากลัวถืออาวุธนานาชนิดครบมือแล้วไปถาโถมโจมเข้าหาเจ้าชายติฏฐะ ให้เหมือนพ่วงน้ำไหลบ่าเข้าไปส่วนตนเองก็ขึ้นขี่ช้างขีรีเมฆระที่งดงามน่าดูอย่างยิ่งดุดยอดภูเขาทองคำสูงใหญ่ร้อยห้าสิบโยชนนรมิตแขนหนึ่งพันแขนถืออาวุธนานาชนิดที่ไม่มีใครถือหนึ่งพันชนิดแล้วเดินทางมาฝ่ายบริษัทของมารก็ได้ถืออาวุธนานาชนิดมีดาบวานลูกศรหอกและหอกซั์เป็นต้น สวมพวงมาลัยสวมพวงมาลัยงูอ้าปากพ่นฟันพิษคลุ้งออกมามีเปลวไฟแลบออกจากปากที่อ้าเห็นเขี้ยวโผล่งงดูสยดสยองน่ากลัวเปลือยกายผิวพันณสกปรกเนรมิ밋เพศต่างๆเป็นเปรตมีแต่ร่างกระดูกเป็นต้นกระทําสิ่งอันน่ากลัวเป็นอันมากยกทับมาดุดถาโถมโจงเข้าหาพระโพธิสัตว์ผู้ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นโพล ผู้ประทัดนั่งอยู่ที่โคนต้นโพธากันยืนมองดูการแสดงของมารเพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธรักษิตาจารย์จึงกล่าวว่าตะดาวสวัติราชาในครั้งนั้นท้า ว, วัสวัตดีเป็นต้นเมื่อไพร่พลมารเข้าไปใกล้โพธิมณฑลอย่างนี้บรรดาเทวดาทั้งหลายมีเทา้ากสกะเป็นต้นเทวดาแม้ตนหนึ่งก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ต่างพากันหนีไปซึ่งหน้านั่นเองฝ่ายเท้าสกเทวราชก็ได้ซ่อนสังวิชยุทธ์ไว้ข้างหลังแล้วก็รีบไปยืน อ, อยู่ที่ขอบปากจักรวาลท้ามหาพรมถือปลายสวตเัชัไปยังพรมโลกพญานาคกาละก็ทิ้งนาคนักฟ้อนรำทั้งหมดดำลงไปในแผ่นดินไปถึงพบของหน้าซึ่งมีมนเทียนกว้างใหญ่ห้าร้อยโยชน์แลนอนเอามือปิดหน้าไม่มีเทวดาแม้ทับตนหนึ่ง ที่จะสามารถดำรงอยู่ในที่นั้นได้พระมหาบรุษได้ประทับนั่งอยู่แต่ผู้เดียวเท่านั้นดุดพรมในสุญญะวิมาในให้วิมานที่ว่างเปล่าลางร้ายที่ไม่น่าปรารถนามิใช่น้อยปรากฏก่อนแล้วเทียวว่าบัดนี้มานจักมาสมดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าในเวลาที่พยามารผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทกับพระมหาบรุษ ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งโลกทั้งสามต่อสู้กันอยู่คบเพลิงที่ร้อนแรงหนึ่งพันตกลงมาแล้วและความมืดมิดด้วยหมอกควันได้มีแล้วในเวลานั้นแผ่นดินที่รองรับ ก, กับแผ่นดินที่ส่งไว้พร้อมทั้งแม่ น, มน้ำนี้ไม่พร้อมทั้งแม่ น, ามน้านี้แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นดุดมีเจตนาได้แยกจากกันดุดหญิงสาวแยกจากสามี ได้วันไหวดุดถาวันถูกลมพัดแรงทะเลก็มีน้ำปั่นป่วนแม่น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสยอดไม้ทั้งหลายก็เสียสีกับต้นไม้แต่ละต้นหักทำลายลงติดพื้นปตพีแหงภูผาทั้งหลายลมพายุแรงกล้าก็พัดหมุนไปมีเสียงอึกระทึกครึกโครมความมืดที่ปราศจากแสงดวงอาทิตย์น่าสะพึงกลัว รูปผีหัวขาดก็ท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าได้ทราบว่าลางร้ายอันน่ากลัวมีประการดังกล่าวไม่น่าเจริญใจไม่น่าปรารถนาทั้งที่อยู่ในอากาศและที่อยู่บนพื้นดินมิใช่น้อยก็มีโดยรอบในเมื่อมารมาถึงมูเทพบุตรกับเทพธิดาทั้งหลายครั้นเห็นมารต้องการจับประหารพระมหาบุุษผู้เป็นเทพของเทพรู้สึกสงสารได้พากันส่งเสียงว่า หาหากล้ามหาบุรุษผู้มีกำลังมากผู้กล้าวกล้าปราศจากความกลัวประทับนั่งอยู่ท่ามกลางกองกำลังของมารเหมือนพยาครุฑอยู่ท่ามกลางฝูงวิหกเหมือนราชสีผู้ประเสริฐอยู่ท่ามกลางฝูงมรึกเมื่อหลางร้ายไม่ใช่น้อยดำเนินไปอยู่อย่างนี้มารผู้ชั่วช้ามาถึงแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปยังบริเวณโพธิมณฑลจึงยืนอยู่ พวกเสนามานก็ได้แวดล้อมอยู่รอบๆมารมองดูเสนาของตนแล้วกล่าวว่าเอทะคันหะทะพวกท่านจงมาจงจับเป็นต้นแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปยังบริเวณโพธิมณฑลดุดมแมลงวันไม่สามารถเข้าไปยังก้อนเหล็กที่ลุกโผร่ได้เหตุนั้นมาจรจึงกล่าวว่าเอทะคันหะทะพวกท่านจงมาจงจับเป็นต้น ก็มานั้นเป็นโอปปาติกะเป็นใหญ่ในกามวาจรสวรรค์บางครั้งสามารถสิ่งร่างกายของพวกพรมปริษัษชะได้มานั้นจึงสำคัญผลว่าเราเป็นให่กว่าสัตว์โลกทั้งปวงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นมานั้นจึงติเตียนว่าสมณะนี้เกิดในเปลือกตมคือเม็ดเลือดขาวในท้องของหญิงมนุษย์เหมือนหนอนที่เกิดในเนื้อเน่า สมณะนี้ไม่มีความอายไม่รู้ประมาณของตนนั่งอยู่ต่อหน้าเราแล้วไม่ลุกขึ้นมานครั้นติเดเตียนอย่างนี้แล้วทําให้กลัวอีกคิดจะไล่พระมหาบรุษนั้นให้หนีไปแล้วบรรดาให้ฝนก้าวหยางตกลงมาเพราะเหตุนั้นพระพุทธรคิตาอาจารย์จึงกล่าวว่าชลันตังนววิถังวัดสังฝนก้าวยางที่ลุกโผล่เป็นต้น ขณะนั้นมานั้นคิดว่าเราจะทำสิท ธ, ธะให้กลัวแล้วหนีไปจึงบันดาลให้กองลมเกิดขึ้นคือลมนั้นพัดถอนต้นไม้ขึ้นก็ได้พัดกลิ้งก้อนหินไปก็ได้พัดรื้อหลังคาบ้านก็ได้พัดมาแล้วไม่สามารถทำชายชีวรของพระมหาของพระมหาบุรุษให้ไหวได้พัดผ่านไปไม่ถูกต้องพระอวรกายจากนั้นมานคิดว่าบัดนี้สมณะจะ ก, กระแทก ภูขเขาจักรวาลแหลกละเอียดเป็นผุยผงไปแล้วเมื่อมองดูก็เห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งอยู่ไม่ไหวติง่งดูเสารเนียตที่ฝังไว้ดีแล้วเดือดดานคิดจะจับพระมหาบุรุษกดลงในห่วงน้ำใหญ่ใ ห, ให้สิ้นพระชนจึงบรันรดาลให้เมฆฝนตั้งเขาขึ้นแล้วตกลงอย่างหนักห่วงน้ำใหญ่ไหลามาท่วมยอดไม้และยอดเขาแล้วไม่สามารถทาชายชีวรของพระมหาบุรุษให้เปียกได้ ไหลผ่านไปไม่ถูกต้องพระอวรกายมานเห็นเช่นนั้นแล้วคิดจะใช้แผ่นหินบทขยี้พระมหาบุรุษให้แหลกละเอียดจึงบันดาลให้ฝนแผ่นหินตกลงมาแผ่นหินเหล่านั้นควันคลุง้งลุกโพลงหมุนลอยมาทางอากาศตกลงมากลายเป็นพวงมาลัยดอกไม้ที่ถูกโยนลงมาครั้งนั้นมานคิดจะเชื่อเฉื่อพระมหาบุรุษให้ติ้นพระชน จึงบรันรดาลให้ฝนอาวุธตกลงมาอาวุธทั้งหลายทั้งอาวุธมีคมข้างเดียวอาวุธมีคมสองข้างลูกสอนหลาวและหอกเป็นต้นควันคลุง้งลุกโผรงลอยมาจากอากาศกลายเป็นพวงมาลัยดอกมะลิเป็นต้นเรี่ยรายตกลงมาแล้วจากนั้นมารมองดูคิดว่าบัดนี้เจ้าชายติดทัศน์คงแหลกละเอียดเป็นชิ้นเนื้อไปแล้วแต่กลับไดเห็นพระมหาบุรุษ ประทับนั่งอยู่ดุดภูเข่าเพชรรู้สึกประหลาดใจแล้วได้บรรดาให้ฝนฐานเพลิงตกลงมาฐานเพลิงเหล่านั้นก็มีควันคลุ้งลุกโพงลอยมากลายเป็นพวง ม, มาลัยดอกมะลิเป็นต้นเรียรายตกลงมาแล้วจากนั้นมาได้บรรดาให้ฝนเท่ารึงตกลงมาฝนเท่ารึงเหล่านั้นควันคลุ้งลุกโพงลอยมาจากท้ทองฟ้า กลายเป็นจุนจันทร์กลิ่นหอมตกลงมาแล้วจากนั daylight, ้นมารได้บันดาลให้ฝนทรายตกลงมาฝนทรายนั้นควันคลุ้งลุกโผง่ลอยมากลายเป็นเกสรดอกไม้ตกลงมาแล้วจากนั้นมารได้บันดาลให้ฝนเปลือกตมตกลงมาฝนเปลือกตมนั้นควันคลุ้งลุกโผงเดือดพลานลอยมากลายเป็นเปลือกต้มกลิ่นหอมตกลงมาแล้วจากนั้นมารได้บันดาลให้มืดมิด พระมหาบรุตทรงทราบเรื่องที่มารบันดาลให้มืดมิดนั้นแล้วได้สรงเปล่งเส้นตาข่ายรัศมีประมาณเท่ารูขุมขนออกมาจากพระอวรก า, ายแสงสว่างได้ทำลายความมืดมิดแล้วสว่างทั่วถึงกันจากนั้นมารได้บันดาลให้คบเพลิงจำนวนมากตกลงมาควันไฟได้เกิดขึ้นจากคบเพลิงนั้นท้องฟ้าก็ร้องคำรามรั่น สายอัศนีบาทจำนวนพันก็ฟาดลงมาแต่แม้ถึงขนาดนี้มานั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้คิดจะตัดพระเศียรของพระมหาบุรุษนั้นแล้วจึงซัดจักราวุธเข้าใส่อนุภาคแห่งจักราวุธนั้นมีดังนี้เมื่อซัดจักราวุธลงบนพื้นดินหญ้าจะไม่งอกขึ้นมาถึงสิบสองปีเมื่อจักราวุธถูกสั์ไปในอากาศ น้ำฝนแม้หยาดหนึ่งจะไม่ตกถึงสิบสองปีจากกระวุธที่ถูกซัดไปบนยอดเขาสุเมรุก็จะตัดเขาสุเมรุขาดออกเป็นสองท่อนพลันตกลงมาเบื้องล่างจากกระวุธนั้นมีเสียงคำรามรั่นลอยมาจากท้องฟ้าดุดสายอสเนบาทเมื่อจะทำลายมานะของมารก็ได้ตกลงแทบบาทของพระมหาบุรุษเป็นดุดผ้าเช็ดเท้า อาวุธิร้ายแรงของพญามารเนี่ยนะตกต่อมาก็กลายเป็นผ้าเช็ดเท้ามานั้นมองไม่เห็นอะไรที่ควรถือเอาได้โกรธเกลิ้วแล้วสั่งเสนามานว่าเฮ้ยพวกเจ้าหยุดอยู่ทำไมพวกเจ้าจงช่วยกันทำสิทธะนี้ไม่ให้เป็นสิท ธ, ธะจงจับจงฆ่าจงตัดจงทำลายจงจองจำจงยาปล่อย จงอยาให้หนีไปตนเองนั่งบนคอช้างคีรีเมฆระใช้กรนข้างหนึ่งจับลูกศรควงเข้าหาพระโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านสิท ธ, ธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบันลังลำดับนั้นพวกเสนามานก็พากันแสดงสิ่งที่น่ากลัวมิใช่น้อยแก่พระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นได้ห้ามมานทั้งหมดนั้นด้วยกาลังแห่งเมตตาเหตุนั้นพระพุทธรกิตาจารย์จึงกล่าวว่า สิทธัตถะกัศมาอาสีโนสิทธัตถะกัศมาอาสีโนสิทธัตถะท่านนั่งอยู่ทำไมเป็นต้นพระพุทธรคิตาอาจารย์ครั้นแสดงเรื่องราวของมารวศวดีอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงเรื่องราวของพระมหาบรุษจึงกล่าวว่าสตาดะมูลีกีรันตังผู้เล่นอยู่ใกล้เท้าของตนเป็นต้นอธิบายว่า พระมหาบุรุษนี้ได้อดกลั้นการกระทำทุกอย่างที่มารชั่วนั้นกระทำแล้วไม่ทรงโทมนัสแม้แต่น้อยไม่ทรงสะดุ้งกลัวทรงมุ่งแต่เอ็นดูทรงเมตตามองดูมารดุดบุตรเหมือนอย่างบิดาผู้มีความเอ็นดูคนหนึ่งยินดีพระความรักบุตรจึงกอดบุตรน้อยผู้เล่นอยู่ใกล้เท้าของตนแม้บุตรจะใช้มือตีหรือว่าใช้เท้าถีบบ้า ทำและพูดถ้อยคำแปลกๆอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างก็ยังให้นอนแนบอกไม่ผูกเวอรอะไรๆพระมหาบุรุษประทับนั่งรวมกําลังแห่งเมตตาบรรลือสีหนาฏอย่างนี้แล้วพระพุทธรกคีตาจารย์เมื่อจะแสดงเหตุนั้นจึงกล่าวว่าในครั้งนั้นพระมุนีนั้นได้บรรลือสีหนาฏเป็นอาสัพพิวาจาว่า มารผู้ชั่วนี้ไม่รู้ว่าตนเองเป็นทาสของเราพระ้มหาปรุษครั้งแสดงความที่พระองค์เป็นผู้เจริญที่สุดในโลกทั้งสิ้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงความเกิดขึ้นแห่งมารจึงกล่าวว่าเยนะเกนะจิกรัมเมนะเพราะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นในบ่ายคาถานั้นคําว่าเยนะเกนะจิอย่างใดอย่างหนึ่งมีอธิบายว่า มานั้นเกิดในเทวโลกชั้นวัสวัตดีเทวบุรีที่ประเสริฐคือที่สูงสุดด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือนิดหน่อยมีทานเป็นต้นแล้วยังไม่รู้คติของตนคือสถานที่ที่ตนบังเกิดเมื่อไม่รู้ประมาณอายุจุติหรืออุบัติของตนสำคัญว่าเราเป็นผู้เที่ยงแท้ก็ย่อมสำคัญว่าเราเท่านั้นเป็นใหญ่ในโลกทั้งสินน้นมาไม่รู้ว่า ตนตายแล้วจะบังเกิดในอบายเมื่อไม่รู้จึงทำกรรมเห็นปาณนี้พระมหาบุรุษครั้งแสดงความเกิดขึ้นของมาอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงความบังเกิดของพระองค์พระบุญคือความเป็นผู้มีบารมีอันนับไม่ได้ซึ่งไม่ทั่วไปกับบุคคลอื่นจึงกล่าวว่าอนันตะโลกธาตุมหิในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุด บัดนี้เมื่อจะให้มานั้นพอใจจึงกล่าวว่าติรชานโนสะโสหุตวาเราเกิดเป็นกระต่ายสัต์ระจานเป็นต้นพระมหาบุุษครั้งแสดงความยิ่งใหญ่แห่งการสั่งสมบุญของพระองค์อย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงความที่พระองค์สำเร็จได้ด้วยบุญทั้งหลายเห็นปานนี้จึงกล่าวว่าเอวังอนันตะปุญเยหิข้อความละบะหุง เพราะบุญกรรมอันไม่มีที่สุดอย่างนี้มูชนเป็นอันมากก็ความละก็พระมหาปรุษนั้นอันใครๆไม่อาจเรียกว่ามนุษย์ยักษ์เจวดามารหรือพรหมเพราะมนุษย์เป็นต้นแม้ทั้งหมดนั้นไม่มีกิจเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเหตุไรพระมหาปรุษจึงประสูติจากคันของหญิงมนุษย์เหตุนั้นพระมหาุรุษจึงกล่าวว่า ชรามรณงโลกัสะนัสเสตุงปนิธาขะโตเรามาในที่นี้เพื่อแสดงชราและมรณะแก่ชาวโลกเพราะว่าชรามรณะนี้ก็จะเป็นปากทางในการย่ายให้เห็นสัจจะความเป็นจริงนะเพราะว่าชรามรณะนั้นเป็นการประกาศ ค, ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นนาตานั่นเองเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ดีใคร ไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมหรือพระองค์เป็นผู้ให้เกิดตันหาที่อยู่ในสันดานของตนของตนเท่านั้นย่อมให้สาเร็จการเกิดซ้ำๆ ซ, ซักซ่าไม่ใช่ว่าจะมีใครมาให้เกิดแก่เจ็บตายได้นะแต่ว่าผู้ที่ให้เกิดก็คือตันหานั่นเองแม้อุศลกรรมและอกุศลกรรมก็ย่อมสาเร็จด้วยกาลังแห่งตันหานั่นเอง สัตว์เป็นดุจนอเพราะการประชุมของสิ่งสามอย่างนี้คือกรรมเป็นนาปิญญาเป็นพืชตันหาเป็นยางเหนียวกรรมเป็นนาเพราะว่าทำสถานที่บังเกิดของสัตว์ทั้งหลายให้สำเร็จเหมือนเมื่อบุคคลปลูกพืชมีมะม่วงและสะดาวเป็นต้นลงบนพื้นดินแล้วรดน้ำานอจึงเกิดขึ้นเพราะได้รับรถแห่งดินและรสแห่งน้าจึงอย่างนั้น กรรมอันไม่มีโทษมีทานและศีลเป็นต้นซึ่งสรคตด้วยอภยบาตได้พืชคือวิญญาณที่เกิดร่วมกับตนและยางเหนียวคือตัณหาเป็นอุปนิสัยแล้วชักนำมาสู่มนุสยโลกเทวโลกและพรหมโลกซึ่งให้ความสุขอันไม่มีโทษย่อมยังสัตว์ผู้เป็นดุจหน่อของต้นไม้ให้เกิดขึ้นเมื่อไม่มียางเหนียวคือตัณหาถึงพืชคือวิญญาณมีอยู่ แม้เมื่อนาคือกรรมมีอยู่ก็ทําการขึ้นในภพใหม่ให้สาเร็จไม่ได้เพราะเหตุนั้นนั่นแหลพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ละตันหาได้แล้วจึงไม่เกิดขึ้นในภพใหม่อันหนึ่งกรรมที่มีโทษซึ่งสสารคตด้วยโลภะโทสะและโมหะได้พืชคือวิญญาณที่เกิดร่วมกับตนได้ยางคือตันหาย่อมทําสัตว์ให้เกิดในอบายแม้ที่เป็นทุกข์ ในเรื่องนี้ท่านกล่าวไว้ว่าความปรารถนาชื่อว่าปัญหาธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อปรารถนาก็ย่อมปรารถนาสมบัติย่อมไม่ปรารถนาวิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมจึงปรารถนาทุกข์ในนรกแล้วเกิดในนรกนั้นเป็นความจริงท่านพัทธรมุกท่านภูมิท่านภู้มีหน้างามธรรมดาผู้ปรารถนานรกย่อมไม่มีสัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนาจะไม่เกิดในนรกนั้นเลย ในเรื่องนั้นมีเหตุอยู่ขึ้นชื่อว่าตันหานี้ย่อมเกิดขึ้นในทวารทั้งหลายมีจั ก, กุทวารเป็นต้นย่อมไม่เกิดขึ้นในไฟในนรกก็บุคคลคนหนึ่งเห็นหญิงที่บุคคลอื่นรักษาคุ้มครองมีรูปงามน่าชอบใจด้วยจกักษุแล้วเกิดความกระหายในหญิงนั้นเพราะกำลังตันหาจึงลวงสามีของหญิงนั้นแล้วได้รื่นรมกับนางด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัณหาและกรรมนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้แก่บุคคลนั้นย่อมยังพืชคือวิญญาณนั้นให้ดำรงอยู่ในไฟนรกต่อจากนั้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีบัณฑิตพึงนำนายมาด้วยคำว่าเอวังโสตะวิเ ย, ยเยสุสัตเดสุโลเพนะเพราะความโลภในเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางหูเป็นต้น การเกิดขึ้นในสวรรค์หรือว่าในอบายมีได้เพราะกำลังแห่งตัณหานั่นเองด้วยประการอย่างนี้ตัณหาเท่านั้นทำสัตว์ให้เกิดขึ้นก็เมื่อสัตว์นั้นเกิดแล้วอย่างนี้ความทุกข์เพราะชาติเป็นต้นมิใช่น้อยย่อมท่วมทับดุดห่วงน้ำก็นำมาซึ่งความแก่ความเจ็บความตายความโศก ค, ความร่าไรราพันความทุกข์กายทุกใจความคั่แค้นใจต่าง ก็พระมหาบุรุษนี้ต้องการจะกําจัดความทุกข์นั้นของสัตว์ทั้งหลายคือตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้ตัณหาเป็นเหตุเกิดก็เมื่อละตัณหาได้แล้วจะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดชราและมรณะเป็นต้นก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นพึงละตัณหานั่นแลก็ตัณหานั้นย่อมมีเพราะกําลังแห่งโมหะของสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องการความสุขด้วยเข้าใจว่า รูปเป็นต้นที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเป็นต้นเที่ยงเป็นสุขงามและเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นพึงแสดงโทษในรูปเป็นต้นที่เป็นเหตุเป็นไปแห่งตัณหาอาการมีความไม่เที่ยงเป็นต้นที่มีอยู่ในรูปนั้นเป็นต้นชื่อว่าโทษในรูปเป็นต้นนั้นก็อาการมีความไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นมีได้เพราะเห็นชราและมรณะเพราะเหตุนั้นพระมหาบุรุษจึงกล่าวว่า ชรามรณงโลกาสะนัสเสตุงปนิธาคาโตเรามาในที่นี้เพื่อแสดงชราและมรณะแก่ชาวโลกก็ถ้าพระมหาบุุษนั้นเข้าถึงความเป็นเทวดาหรือความเป็นพรหมแสดงธรรมชนเ่าอื่นไม่พึงเชื่อย่อมไม่เชื่อจกไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังว่าผู้นี้เป็นเทศเป็นมหาเทศเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้เที่ยงแท้เป็นผู้มั่นคง แต่กล่าวแก่พวกเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านพูดอะไรพวกเขาย่อมดูหมิ่นว่าขึ้นชื่อว่าเทพไม่สามารถจะพูดอะไรได้ไม่สามารถจะทำปาฏิหารอะไรได้เรื่องของเทพนั้นไม่น่าอาศัศจรรย์เลยก็เมื่อประชาชนทั้งปวงเห็นอยู่นั่นแลเมื่อพระมหาบุุษประสูติจากท้องหญิงมนุษย์ฉเฉวยความสุขในกามทรงได้พระโอรสแล้วสละพระโอรสนั้น ทรงออกผนวดบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างยิ่งใหญ่ทรงบรรลุโพธิญาณแล้วแสดงฤทธิ์และแสดงธรรมอยู่เมื่อทรงแสดงชราและมรณะทรงแสดงไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาประชาชนย่อมจะฟังด้วยดีจึงเงียบโสดฟังว่าพระมหาบุรุษนี้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้มีปัญญามากอย่างนี้ถึงทรงรู้แจ้งประโยชน์ทั้งสิน้น ก็ยังไม่ก้าวล่วงชราและมรณะสำหรับพวกเราไม่ต้องกล่าวอะไรพวกเขาจากเชื่อการตัดสุขของพระตถาคตตกลงปรงใจเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อละความทุกข์เห็นปา น, นี้ทรงเป็นผู้ตัดสุด้วยพระองค์เองโดยชอบพระนิพพานที่ไม่มีความทุกข์เช่นนี้มีความสุขดีหนอจึงทรงญาณไปโดยชอบตามแนวแห่งเทศนา เห็นอัตภาพที่มีขันหานี้เป็นอย่างยิ่งโดยความเป็นทุกข์และโดยความเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วย่อมเห็นโทษในตัณหาอันเป็นที่เกิดแห่งทุกข์นั้นชนเหล่านั้นเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็อึดอัดเบื่อหนายรังเกียจ ต, ตัณหาและขันอันเป็นที่เกิดแห่งตัณหานั้นยังตัณหาให้ดับแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่อนุปาทาปริณิพันธ์ เพราะเหตุนั้นพระมหาบุรุษจึงกล่าวว่าชรามรณงโลกัสะนักเสตุงปานิธาคาโตเรามาในที่นี้เพื่อแสดงชราและมรณะแก่ชาวโลกคำว่าอนุปริโตโลเกนะไม่แปดเปื้อนกับโลกความว่าพระมหาบุรุษเพ่งวาจาว่าเราเกิดมาไม่แปดเปื้อนคือไม่ติด กับสัตว์หรือว่าสังขารอะไรในโลกทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุดคือเป็นผู้ชนะไม่มีที่สุดเพราะชนะสัตว์อันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะชนะโดยปราศจากความอาลัยในสัตว์และสังขารอันไม่มีที่สิ้นสุดและเพราะชนะสังกิเลตคือตัณหาอันไม่มีสิ้นสุดบัดนี้นั่งบนอ ป, ปราชิตะบัลลังนี้เผากิเลต ท, ทั้งปวงแล้วจกเป็นพระพุทธเจ้า ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นได้ท่านไม่สามารถห้ามเราได้เราไม่อยู่ในอำ น, นาจของท่านบัดนี้พระมหาบุรุษเมื่อจะทรงทำลายมานะของมา น, นั้นจึงตรัสว่าเราเห็นมานขีพาหนะยกกองทัพเตรียมพร้อมรบรอบด้านแล้วจึงขอประจันหน้ามานอย่าหวังที่จะให้เราลุกจากที่ ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกเอาชนะกองทัพของท่านไม่ได้เราจะใช้ปัญญาเข้าหากองทัพของท่านเหมือนคนใช้ก้อนหินทุกภาชนะดินดิบและภาชนะดินเผาฉะนั้นคาถาสองคาถานี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสส่วนคาถาที่เหลืออาจารย์ถือเอาความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากพระสูตรมากล่าวไว้คําที่ท่านกล่าวแม้นั้นไม่มีโทษเลย ในสถานานมีอธิบายดังนี้คำว่าสมันตารอบด้านได้แก่โดยส่วนทั้งปวงบทว่าทชิหนิงกองทัพได้แก่กองทัพที่ประกอบแล้วด้วยธงทั้งหลายคำว่ายุดตังมารังมารเตรียมพร้อมได้แก่มารผู้ผูกสอดเพื่อออกรบเตรียมกองทัพหมูใหญ่คำว่าสวานังขีผาหนะคือ ขี่ช้างขีรีเมคระคำว่าปัจจุคัจฉามิขอประจันหน้าได้แก่เราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งขอเผชิญหน้าด้วยปัญญาคือจะไม่ขอล่าถอยใครๆไม่พึงทำเราให้เคลื่อนคือไม่สามารถทำเราให้เคลื่อนจากอราชิตะบัลลังสถานนี้อธิบายว่าเราจะกระทำโดยประการที่มานไม่สามารถทาได้อธิบายว่า ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกเอาชนะกองทัพมานั้นของท่านคือบริษัทมานที่ท่านกล่าวหมายเอากองทัพที่มาโดยในว่าการเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านไม่ได้คือไม่สามารถคมขี่ครอบงำได้แต่เราผู้เดียวเท่านั้นจะไม่ให้กองทัพของท่านทำอาสนะที่เรานั่งแล้วให้วันไหวเราจะเข้าหาคือเข้าถึงด้วยกำลังปัญญาของเราได้แก่ด้วยปัญญาภรรของเรา เหมือนใช้ก้อนหินคือแผ่นหินบทภาชนะดินดิดจะ ก, กระทำให้เป็นของเราและจะไล่ท่านทั้งไพ่พลมานของท่านให้หนีไปเหมือนใช้ก้อนดินไล่กาทั้งหลายฉะนั้นบัดนี้พระพุทธรคิตอาจารย์เมื่อจะแสดงกำลังฤทธิ์ของพระมหาบุรุษนั้นจึงกล่าวว่าอิชันโตสาสเปคับเพเมื่อเราปรารถนาในห้อง คือมเมล็ดพันธ์พักกาเป็นต้นปาระคือถ้อยคำเหล่านั้นมีอธิบายง่ายทั้งนั้นก็คือสามารถที่จะแสดงอิทธิปาฏิหาริมีความสามารถาครอบความพยายมาและก็เสนาามาได้ทุกอย่างบัดนี้พระมารชั่วนั้นกล่าวว่าสิทธัตถะเหตุไรท่านจึงนั่งอยู่บนอาสนะของเราเมื่อพระมหาบุรุษกล่าวว่าใครเป็นพยานว่าเป็นของท่านจึงเหียดมือกล่าวว่า จะอ้างเอาบุคคลอื่นไปทําไมบริษัทมารเหล่านี้เป็นพยานได้บริษัทมารหลายแสนโกดพากันกล่าวพร้อมกันว่าเราเป็นพยานได้เราเป็นพยานไ ด, เเนได้เสียงที่บริษัทของมารกล่าวนั้นได้เป็นเหมือนเวลาที่แผ่นดินจะแตกแยกพระมหาบุรุษได้ห้ามบริษัทมารจากคําที่กล่าวนั้นแล้วเมื่อจากแสดงพยานของพระองค์จึงกล่าวว่าบรรลังเป็นของเราจะอ้างพยานอื่นไปทําไม แผ่นดินนี้เคยไหวมาแล้วเพราะการให้นางมัตตีย่อมเป็นพยานได้พระมหาบุรุษกล่าวว่าท่านมารชั่วเราปรารถนาบรรลังนี้โดยไม่ให้โดยไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทาทุกรกิริยาในจํานวนชาติอันหาประมาณไม่ได้ย่อมไม่มีนอกจากทานที่เหลือเมื่อเราให้ทานเจ็ดครั้งจนกระทั่งให้นางมัตตีเทวี TV เป็นที่สุด ในชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรชาติหนึ่งแผ่นดินได้ไหวถึงเจ็ดครั้งบัดนี้เมื่อเรานั่งบนอปราชิตะบัลลังนี้เพื่อเอาชัยชนะให้แก่ชาวโลกทั้งสิน้นเมื่อการรบกับมารและกองทัพมารดําเนินตปอยู่แผ่นดินใหญ่นี้จะนิ่งเฉย อ, อยู่ได้อย่างไรก็ท่านให้บริษัทของท่านเป็นพยานโกงแผ่นดินนี้มีความเสมอต่อท่านและต่อเราแผ่นดินนั้นถึงจะไม่มีจิตใจ ก็จักเป็นพยานของเราจึงเหยียดพระหัตถ์ขวาซึ่งมีจิริดุดสายฟ้าที่แลบออกจากช่องเมฆออกมาจากภายในจีวรชี้ไปบนแผ่นดินด้วยเหตุนั้นพระพุทธรักษ์ตาจารย์จึงกล่าวว่าอิติวัตวาดัชขินังบาหุงครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้เหยียดพระหัตถ์ขวาเป็นต้นด้วยประการดังกล่าวมานี้ขณะนั้น แผ่นดินใหญ่นี้ได้หมุนเหมือนล้อดินบรรลือเสียงดังลั่นอากาศก็ได้ร้องลั่นพร้อมกับเสียงแผ่นดินเหมือนเมฆคํารามรั่นภูเขาทั้งเจ็ดเทือกเป็นต้นได้บรรลือเสียงดังลั่นห้องจั ก, กรวาลทั้งสิ้นได้ร้องดังลั่นเสียงดังเปลี้ยงเปลา่าเหมือนป่าไผ่ที่ถูกไฟไหม้แล้วปล้องแตกไผ่แตกดังเปลี้ยงเปลา้ากรองทิศ ก็ได้ดังกระหึ่มไปในท้องฟ้าทั้งสิน้นเหมือนสายเมล็ดข้าวเปลือกที่บุคคลโปรยลงบนกระเบื้องที่ร้อนสายฟ้าทั้งหลายได้แลบแวบวาา่าผาผ่าลงมาเหมือนฝน่านเพลิงที่ลุกเป็นไฟตกลงมามานผู้อยู่ในระหว่างแผ่นดินกับอากาศทั้งสองไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลีเกเ้่นไม่มีที่พึ่งประสบกับภัยอันใหญ่หลวงจึงลดทงลง ทิ้งอาวุธหนึ่งพันชิ้นไว้ในที่นั้นนั่นเองไม่มองดูแม้กระทั่งช้างคีรีเมฆคะะหนีไปแล้วเมื่อมานั้นหนีไปแล้วบริษัทของมาน ก, ก็แตกแยกหนีไปตึ้นหน้าพากันไปยังเทวโลกชั้นวัสวัตตีเหมือนกองขี้เ ท, าท่าที่ถูกลมแรงพัดกระจายไปเมื่อดวงอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงคตพระมาหาบุษทรงปราบมานให้พ่ายแพ้แล้ว ประสบชัยชนะให้แก่โลกทั้งสิ้นถึงความเกษมไม่มีภัยบรรลุเวสารชยานแล้วด้วยประการดังกล่าวมานี้เทวดาและพรหมเหล่านั้นผู้กลัวแล้วหนีไปพระมารมายืนมองดูด้วยคิดว่าใครชนะใครแพ้เห็นบริษัทมารแตกไปอย่างนั้นจึงพากาันบรรลือเสียงดังลั่นยามคร้อมเพลงกันด้วยเหตุนั้นพระพุทธรคิตาจารย์จึงกล่าวว่า มหาโคโโอาชายิทธสิท ธ, ธัตถะชโยอิติได้เกิดเสียงดังกึกก้องขึ้นว่าพระสิทธัตถะมีชัยชนะเทวดาและพรมรส่งเสียงประกาศว่าก็พระสิทธัตถะเป็นมนุษย์ชนะมานั้นผู้เป็นเทพยอดเยี่ยมผู้มียศเช่นนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระสิทธัตถะจึงได้รับการขนานนามว่าอนันตชินะ คือผู้ชนะหาที่สุดมิได้ทรงมีปัญญาแผ่ไปในธรรมที่ควรรู้อันหาที่สุดมิได้เพราะเหตุนั้นนั่นแหลพระสิทธะนั้นจึงเป็นผู้ที่ควรนมัสการด้วยเบญจางะประดิษฐ์ด้วยความเคารพยิ่งประโยชน์อะไรมีอยู่แก่พระองค์ผู้พระองค์ทรงตัดศีสษะเป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างยิ่งพนานาเรื่องการปราบมารให้พ่ายแพ้ ในชีนาลังการะอันเป็นเหตุให้สาธุชนมีความเพลิดเพลินจบแล้วด้วยประการชนีก็ด้วยกุศลผลบุญในการได้ยินได้ฟังพระสัจธรรมเรื่องราวของพระโพลิสัตที่ผจญมาอ่านก็ขอให้ได้ศรัทธาปีติประโมทขอให้เป็นปัจจัยแก่การอบรมไตรสิกขาด้วยไอสงค์การอ่านพระธรรมนี้ขอให้เป็นปัจจัยแก่การรู้แจ้งอริยสัจธรรม ในคำสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอย่าได้เคลื่อนเคลื่อนจากคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็เป็นปรจจัยให้พ้นจากวัฏตะทุกโดยทั่วกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ